พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ว่าเป็นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคใจโรคไม่สบายใจเป็นยาที่สามารถกำจัดความไม่สบายใจต่างๆให้หมดสิ้นไป จากใจของสัตว์โลกได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มียาชนิดไหนในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาโรคความไม่สบายใจได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรักษาความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปหมดได้ ท่านเรียกธรรมะว่าธรรมะโอสถธรรมะเป็นโอสถเป็นยารักษาความไม่สบายใจที่เกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงความวิตกกังวลความห่วงใยความเศร้าโศกเสียใจความหวาดกลัว ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้จะหายไปหมดถ้าเรากินยาของพระพุทธเจ้ากินธรรมโอสถเอาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจเหมือนกับร่างกายเวลาไม่สบาย ก็ต้องกินยาต้องเอายาเข้าไปในร่างกายยาถึงจะสามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ถ้าไม่กินยาโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไม่ได้เหมือนเวลาไปหาหมอหมอให้ยามาแต่เราไม่รับประทาน รับมาเฉยๆแล้วก็วางไว้ถ้าไม่รับประทานยาโรคภัยที่มิเป็นอยู่มันก็จะไม่หายฉันใดธรรมโอสถ์ของพระพุทธเจ้าคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรา ให้หายไปได้ถ้าเราไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจต่อให้เป็นคำสอนที่วิเศษขนาดไหนก็ตามเหมือนกับต่อให้เป็นยาที่วิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าไม่เอายาเข้าร่างกายยาจะไม่สามารถทาหน้าที่รักษาร่างกายได้ ถ้าไม่เอาธรรมะเข้ามาภายในใจธรรมะก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าเรามีความทุกข์ใจกันมีความไม่สบายใจกันซึ่งรับรองได้ ว, ว่ามีด้วยกันทุกคนมีมาตั้งแต่วันเกิด พอเกิดออกมาจากท้องแม่ก็ร้องไห้นะการร้องไห้นี่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความทุกข์ใจพนเราถ้าไม่ทุกข์ใจจะร้องไห้ไปทำไมพนเราเวลาสุขใจนี่หัวเลาะกันยิ้มเย้มจ่มสกันแต่พอมีความทุกข์ใจนี่หน้าเศร้าโศกหน้าเบึ่งตึง นี่แหะคือสั ญ, ญลักษณ์ที่บอกว่ามีความทุกข์กันถึงแม้จะปฏิเสธยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้เวลาพบกันเวลาหน้าเศร้าซ้อยเขาถามว่าเป็นไงสบายดีหรือบอกเขาสบายดีบอกไปเขาก็ไม่เชื่อถ้าเขาเห็นหน้าแล้วไม่ยิ้มยามแจ่มใสมีความบึ่งตึงมีความซึมเศร้านี่แหละ ทุกเราทุกคนนี่ไม่มีใครที่ไม่มีความทุกข์กันแล้วก็จะมีทุกข์ไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้พบนี้เท่านั้นตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องกลับมาทุกข์ใหม่จะไม่ทุกข์ได้นี่จะต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะกระทากันก็คือพยายามเอาธรรมะเข้ามาในใจของพวกเราให้ได้พวกเรานี้ถือว่าโชคดีมีวาสนามีบุญที่ได้มาเกิดในยุคที่มีธรรมะโอสถมีคำสำั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาช่วยรักษา โรคใจของพวกเราถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีคําสั่งคําสอนหรือไปเกิดในสถานที่ในที่ไม่มีคําสั่งคําสอนอเช่นไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้ว่ามียารักษาโรคใจก็จะใช้วิธีรักษาโรคใจ ที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีวิธีรักษาโรคใจอยู่สามชนิดด้วยกันสามวิธีมีวิธีของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่ ถูกต้องเป็นวิธีที่อยู่กรงกลางระหว่างอีกสองวิธีวิธีที่คนที่ไม่มีพระพุทธศาสนาใช้รักษาโรคใจก็คือการหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นการไปเที่ยวกันเห็นไหมมีการท่องเที่ยวกันอยู่อย่างกว้างขวาง ทุกแห่งทุกคนทุกประเทศนี้นิยมการท่องเที่ยวกันเพราะเชื่อว่าเป็นการหาความสุขกันเป็นการกําจัดความทุกข์กันทำงานมาทั้งปีทุกยากเหนื่อยอยากจะพักผ่อนอยากจะดับความทุกข์ก็ไปเที่ยวกันช่วงที่ไปเที่ยวความทุกข์ต่างๆก็หายไป แต่พอกลับมาทำงานกลับมาอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวความทุกข์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาอีกเดี๋ยวคนนั้นตายจากไปก็ทุกข์อีกเดี๋ยวคนนั้นมามีเรื่องมีราวมาสร้างปัญหาให้ก็ทุกข์อีกอันวิธีที่เราใช้การเที่ยวการหาความสุขจากรูปเสียงกล่นสด่างๆ มาดับความทุกข์ใจนี้ดับได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาอีกเวลาไปเที่ยวนี่สนุกสนานถ่ายรูปส่งมาให้ดูกันมีความสุขน่าอิจฉาพอกลับบ้านพอกลับมาอยู่บ้านก็เหมือนเดิมถ้าอยู่บ้านไม่ได้ทำงานทำการอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เกิดความรู้สึกเหงาว้าเหวขึ้นมานะอร ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช้วิธีนี้เคยส่งใช้วิธีนี้พระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชโชรสอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินความสุขทางลูปเสียงเกียรตินี้มีแบบดีที่สุดไม่เชื่อลองไปกินอาหารในวังดู ลองไปอยู่ในวังดูสักพักจะเห็นว่าโอของใช้ของกินแต่ละอย่างนี้มันมันชั้นหนึ่งทั้งนั้นผลไม้ก็คัดมาแบบดีที่สุดสวยที่สุดงามที่สุดของอะไรต่างๆเข้าวังนี้ต้องเป็นระดับไฮโซขึ้นไปแต่ของเหล่านี้มันก็ดับความทุกข์ไม่ได้ พระพุทธเจ้ายิ่งแล้วยิ่งทรงเห็นนานาคตด้วยว่าต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายยิ่งไม่สามารถที่จะอาศัยความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ได้ช่วงที่แก่ที่เจ็บจะที่จะตายนี้จะเป็นช่วงที่มีความทุกข์ลุมเล้าอยู่ตลอดเวลายิ่งไม่ เห็นว่าเป็นทางที่พาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อีกทางหนึ่งที่ทรงเห็นว่าเป็นทางที่ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ก็คือวิธีทรมานร่างกายเห็นต่างๆด้วยวิธีการต่างๆจะของแขวของแข็งของคมมาทิ่มแก้มเอามาขูดขีด ทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดเพราะคิดว่าเมื่อเกิดอาการเจ็บปวดแล้วะจะทนกับความทุกข์ได้จะทำให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นได้แต่ทำไปแล้วความทุกข์มันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์มันอยู่ที่ใจ พระพุทธเจ้าก็เลยทรงตรัสว่านี่วิธีที่สองนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะมาดับความทุกข์ได้อย่าไปทรมานราน่างกายด้วยวิธีต่างๆบา ง, งคนก็ทรมานด้วยการกินน้อยๆกินน้อยๆคิดว่ากินแล้วจะทำให้ไม่ทุกข์มันก็ทุกข์อาจจะไม่ทุกข์จากการอยากกินแต่มันก็มีความทุกข์จากเรื่องอื่น คนที่ไม่กินมากๆก็อาจจะไม่ทุกกับเรื่องกินเพราะควบคุมความอยากได้่ก็ยังต้องไปทุกกับเรื่องอื่นอยู่ทุกกับคำติฉินนินทาทุกกับการดูถูกเหยียดหยามของคนอื่นอยู่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าวิธีนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ได้อย่างอย่างครบบริบูรณ์ ก็เลยส่งค้นหาวิธีที่สามที่ส่งไปศึกษาจากอาจารย์ผู้รู้ต่างๆก็ได้พบวิธีดับความทุกข์ได้ชั่วได้ชั่วคราววิธีของการรักษาศีลวิธีของการฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าฌานขั้นต่างๆเวลาจิตเข้าฌานจิตสงบ ความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็หายไปหมดตอนนั้นเหมือนกับว่าหลุดพ้นจากความทุกข์เวลาอยู่ในฌานอยู่ในสมาธินี่จะไม่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอออกจากฌานมาเพราะว่าจิตไม่สามารถที่จะอยู่ในฌานได้ตลอดเวลา เพราะยังเพราะว่ามีร่างกายที่จะต้องดูแลรักษารับผิดชอบเดี๋ยวร่างกายปวดท้องปวดฉี่มันก็มากระตุน้นมารบกวนจิตที่สงบจิตก็ต้องออกมาดูแลร่างกายมาขับถ่ายมารับประทานมาดื่มน้ำอะไรต่างๆช่วงที่ออกมาจิตก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส ที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาจนไปเห็นสิงสาราสัตว์ที่อาจจะมาทำร้ายร่างกายได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามไม่มีใครรู้ว่าวิธีที่จะทำให้จิตไม่ทุกเวลาที่ออกมาจากสมาธินั้นทำอย่างไรเมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง จนในที่สุดก็ส่งค้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้ทุกเวลาออกมาจากสมาธิก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอไปเห็นสิ่งที่จะมากระทบกับร่างกายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาเห็นภัยอันตรายที่มาประเชิญหน้าจะตกใจเจะะ้ากวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะว่ามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเวลาอยู่เฉยๆก็รู้สึกหงุดหิดลำคาญใจเพราะอยากดูอยากฟังอะไร เวลาไม่ได้มีอะไรดูเวลาไม่มีอะไรฟังแลรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวแต่พอได้ดูได้ฟังได้พูดได้คุยกับคนนั้นคนนี้อาการรู้สึกเหงาว่าเวก็หายไปชั่วคราวเพราะองค์ก็สองคนพบว่าเกิดจากความอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย ความไม่สบายใจหงุดหงิดนำคาญใจความเหงาความว้าเหว่ก็หายไปสางคนพบว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นลด อยากได้ลาบยศสารเสริญอยากได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีๆไม่อยากสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากจะพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเราชอบไปความอยากเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยทรงค้นหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้ไม่เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาได้ ก็ทรงเห็นว่าสิ่งที่ทาให้ใจอยากสิ่งที่ทาให้ใจมีความสุขมีความอยากก็เพราะไปเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆสิ่งที่มีในโลกนี้ว่ามันจะให้ความสุขกับใจเพียงอย่างเดียวแต่ทรงพิจารณาก็เห็นว่ามันให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราว แล้วมันจะต้องมีการหมดไปพอมันหมดไปความสุขที่ได้ก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาเช่นถ้าเรามีความสุขกับการดื่มกาแฟเวลามีกาแฟดื่มเราก็มีความสุขพอกาแฟหมดเนี่เราเริ่มทุกข์แล้วเราต้องรีบไปร้านขายกาแฟซื้อกาแฟมาตุนเอาไว้ละ เพราะกลัวหมดเวลาไม่มีกาแฟดื่มเราจะรู้สึกหงุดเอิดรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่างที่บ้านเราจึงมีของตุนไว้เยอะๆมีกาแฟมีเครื่องดื่มชนิดต่างๆมีผลไม้มีขนมอะไรต่างๆตุนไว้เนี่ย เพื่อให้ความสุขกับเราแต่เราไม่เคยคิดว่าต่อให้ตุนไว้มากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดถ้าไม่หมดมันก็เสียถ้ากินไม่ทันวันที่เขากำหนดไว้ก็กินไม่ได้อยู่ดีมันก็จะต้องเสื่อมเพราะของมันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวจงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิ่งต่างๆที่เราเพึ่งอาศัยให้ความสุขกับเราที่เราอยากได้นี่มันจะกลายเป็นความทุกข์ในภายหลังเวลาได้มาใหม่ๆเวลาแต่งงานใหม่ๆนี่สุขมจัดงานเลี้ยงเจ็ดวันเจ็ดคืนนะเดี๋ยวอยู่ไปมอข้าวไม่ทังดามกลายเป็นเ <laughs> วทีมวยลนะ มีการทุบตีกันมีการด่ากันว่ากันสัตว์ต่างๆไม่รู้มันมาจากไหนโผมมาเต็มไปหมดเวลาพบกันในหม่ๆสัตว์หายไปหมดพออยู่กันไปสักพังหนึ่งท่านสัตว์ไม่รู้มันถูกปล่อยออกมาจากกรงได้อย่างไร พอมีตัวสัตว์ออกมาความสุขที่ได้จากการอยู่ร่วมกันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันนี่ไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญมันเป็นอนิจจังมันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาดีใจ เวลาหมดไปเสียใจเวลามันเปลี่ยนไปยังไม่ทันหมดก็เสียใจเช่นสามีภรรยายังไม่แยกจากกันแต่ก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วมีความทุกข์ใจเวลาเห็นหน้ากันเพราะว่าต่างคนต่างเปลี่ยนไปตอนพบกันใหม่ๆต่างคนะต่างเอาอกเอาใจกัน ที่ฟ้าเป็นฟ้าชีาที <c oughs> ท <c oughs> แต่พออยู่ไปอยู่ไปการเอาอกเอาใจกันก็เปลี่ยนเป็นการเอาใจของตัวเองอยากจะได้นั่นได้นี่เขาก็อยากจะได้นั่นได้นี่ก็เลยต้องทะเลาะกันเพอเหมือนกับแย่งกันเขาอยากจะได้อย่างนั้นเราอยากจะได้อย่างนี้เอ เขาไม่ยอมให้เราเราก็ไม่ยอมให้เขาถ้เาเดี๋ยวก็เลยไม่มีความสุขละตอนพบกันใหม่ๆ เ, เขาอยากได้อะไรเขาอยากทําอะไรอทํากับเขาเวลาเราอยากได้อะไรอยากทำอะไรเขาทํากับเร า, เามันก็มีความสุขกันแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งนิสัยเปลี่ยนไปการเอาอกเอาใจกลายเป็นเอาใจเราเป็นเป็นเป็น เป็นตัวหลักเอาใจเขานี่บางครั้งก็เอาแต่บางส่วนใหญ่จะเอาใจเราเป็นหลักก็เลยเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าความสุขต่างๆที่เราหากันอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหมดนี่มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากาแฟหมดนี่ความทุกข์เกิดขึ้นนะ พอบุหรีหมดความทุ ก, ก ข, กเกขกกก์เกิดขึ้นพอสุราหมดความทุกข์เกิดขึ้นพอความรักหมดความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่เราต้องพิจารณาครูเจ้าบอกถ้าเห็นใจรักในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เราก็จะแม้อามีใครอยากจะได้ความทุกข์กันมีมีใครอยากจะเป็นก็สอบทายกันแต่งงานแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นกระสอบทรายไป <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่เห็นกันความหลงมันปิดบังไว้มันไม่ยากให้เราเห็นเวลาเราเห็นอะไรเราจะเห็นด้านเดียวเห็นด้านสุขเห็นว่าโอ๊ยได้มาแล้วจะมีความสุขไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อ๋อจะมีความสุขแต่บางทีไปไม่ถึงก็มีเครื่องบินตกก่อนก็มี <c oughs> มันมีอะไรหลายอย่างบางทีจองนุงแนมไว้เขาเขาลืมใส่เข้าไปในบัญชีไปถึงอา้าวไม่มีที่พักเสียแล้วต้องไปหาที่พักใหม่ตลอดตลอนกันอีกไม่มีอะไรแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราไม่ยอมมองกันเรามักจะมองว่ามันแน่นอนมันสุขแท้สุขจริงแต่ความจริงมันเป็นสุขความ ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เราก็ไม่เอามันดีกว่าเอามาแล้วทําให้เราทุกข์เอามาทําไมนี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเกิดความอยากพระองค์ก็หยุดความอยากได้ หยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยเหตุผลเพราะเราทุกคนไม่ต้องการความทุกข์กันเราต้องการความสุขกันเช่นมีคนก็มาหลอกเราให้ไปซื้อหุ้นอันนี้ซื้อหุ้นของแม่แม่แม่ชม้อยแชร์ชม้อยเนี่ยบอกว่าโอยซื้อแล้วนี่ได้ดอกเบีย้ยสูงดอกเบีย้ยร้อยละห้าสิบอย่างนี้ราธนาคารนี้ได้ร้อยละหนึ่ง ถ้าฝากกับแม่ชาม้อยนี่จะให้ร้อยละห้าสิบพอฝากปุ๊บก็จ่ายดอกเบีย้ยทันทีเลยอพอได้ดอกเบีย้ยก็ดีใจแต่ไม่รู้ว่าเขาหลอกเราเขาเอาเงินของเรานี่มาให้เราเขาไม่ได้ไปลงทุนอย่างที่เขาบอกเขาเอาเงินมาหมุนมามาหมุนเอาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยเราหลอกเราว่าเขาไปได้กาไรมา เราก็เชื่อเลยไปชวนเพื่อนฝูงชวนกันมาต่างคนก็อยากจะได้ดอกเบี้ยสูงๆแต่ถ้าเกิดใครรู้ความจริงมาบอกว่ากําลังถูกตุนนะกาลังถูกหลอกไม่มีในโลกนี้หรอกที่ใครเขาจะจ่ายดอกเบี้ยสูงๆอย่างนี้ถ้ารู้แล้วก็ไม่กล้าแล้วเนี่ยพวกเรามันไม่รู้ว่าเราถูกตัวความหลงของเราหลอกเราเอง เราเชื่อตัวเราเองเชื่อความโง่เขาเบาปัญญาของเราเชื่อความหลงของเราเชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราได้มาแล้วโอ้ยเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแต่รู้ไหมว่ากำลังจะไปตกนรกทั้งเป็นพอได้มาแล้วถึงจะรู้ในภายหลังว่าโอ้ยกำลังตกนรกนี่ว่ะแต่ตอนนั้นก็สายไปเสียแล้ว นี่แหละคือความหลงที่มันหลอกเราหลอกให้เราเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นสิ่งมันเที่ยงแท้แน่นอนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดมีอะไรบ้างที่จะเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่ร่างกายของเรามันยังไม่อยู่กับเราไปตลอดเลย แล้วอะไรล่ะจะมาอยู่กับเราไปตลอดไม่มีหรอกพอร่างกายเราตายไปของต่างๆที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ไม่เป็นของเราอีกแล้วกลายเป็นของคนอื่นไปหมดนะพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เห็นเห็นตายลักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยสิ่งที่เราได้สัมผัสด้วยตาหูจมูกเล่นกายเนี่ย ล้วนเป็นไตรลักษณ์ท้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ท้งนั้นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปหามันไม่ไปเอามาเหมือนรู้ว่าเป็นยาพิษเนี่ยมีใครจะไปกล้าดื่มยาพิษถ้ารู้ว่ามันเป็นยาพิษแต่ถ้าเขาไม่บอกว่าเป็นยาพิษเขาใส่ เ, เขาติดบ้ายสวยๆงามๆหลอกเราเห็นไม่สมัยก่อนบุหรี่ซองบุหรีน่นี้ให้ติดหัวกะโหลกไข้กะโหลกไขยหัวกะโหลกไว้เตือนภัยว่าอันตรายาสูบแล้วเดี๋ยวจะต้องเป็นโรคมะเร็งในปอดขนาดติดบ้ายคนยังยังไม่เชื่อก็มีไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ เหมือนพวกเราพระพุทธเจ้าบอกเป็นตารักเป็นแห่นิจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เชื่อกันก็ยังอยากได้กันอยู่เพราะว่ามันอย่างน้อยเวลาได้มันยังมีความสุขมากมันดีกว่าตอนที่ไม่ได้แล้วมันทุกข์นั้นส่วนให้ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากภายหลังนี้ก็ขอเสี่ยงโชคดูบางทีอาจจะไม่เกิดก็ได้บางทีได้แฟนดีรักเราไปจนวันตาย ก็ก็ก็ดีไปเขาโชคดีไปมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่มีวันหมดใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดก็เลยยอมเสี่ยงภัยเอาถึงแม้ป้ายเขาจะบอกว่าอันตรายเกิดความทุกข์ได้เกิดการสิ้นสุดลงได้แต่เขาไม่ได้เขียนว่าวันเวลาเท่านั้นเองเมื่อไหร่ก็เลยอาจจะคิดว่าถ้ามันจะหมดก็คอยหมดตอนที่เราตายกันแล้วกันว่า อย่างน้อยตอนที่ยังไม่ตายก็ขอให้มันมีความสุขไปก่อนถ้าได้อย่างนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าไปเจอแบบมันหมดการทางนี่จะทำยังไงก็ต้องกระโดดตึกตายกันนึงกินยาพิษตายกันเพราะเมื่อมันหมดแล้วมันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่ไปก็ไม่มีความสุขกันนี่แหละทํำไมคนถึงฆ่าตัวตายเพราะยอมเสี่ยงโชคยอมเสี่ยงกับ อา น, นิจจังทุกขังอนัตตาหวังว่ามันจะมันจะอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตอนที่ตายแต่บางทีมันมาอั น, นิจจังทุกขังอนัตตาตอนที่ยังไม่ตายมันก็เลยต้องฆ่าตัวตายเพราะว่ามันเหมือนตายเนะ่ะเพราะามันมันทุกทรมานมากจนไม่มีความอยากที่จะอยู่ต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราขาดกัน ที่ทำให้พวกเราต้องมาทุกข์กันทุกทุกเล็กทุกน้อยทุกมากทุกอะไรก็แล้วแต่ว่าเราไปอยากมากอยากน้อยถ้าอยากมากก็จะทุกมากอยากน้อยก็จะทุกน้อยถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกความทุกอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเห็นไตยลักษณ์แล้วเชื่อไตยลักษณ ก็จะไม่ทุกข์เพราะจะไม่เอาอะไรเลยแต่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็จะอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ขึ้นมาและการที่เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้และปฏิบัติตามไตรลักษณ์ได้ใจของเราต้องมีกำลังด้วยถ้าใจเรายังไม่มีกำลังทำตามที่ไตรลักษ์บอกคือให้เลิกความอยาก ก็เลือกไม่ได้อีกเหมือนกันเราจึงต้องมาสร้างกําลังให้กับใจก่อนถึงจะสามารถเอาไต่ลักมาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆได้กําลังที่จะหยุดความอยากได้ก็คืออุเบกขาอุเบกขาคือใจนิ่งเฉยใจเป็นกลางใจอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุข ถ้าใจมีอุเบกขาใจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขถ้าไม่มีอุเบกขาใจจะไม่มีความสุขพอเห็นอะไรอยากได้ก็จะทนสู้ความอยากไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นตายลักก็ขอเสี่ยงเอาเสี่ยงว่าขอให้มันเป็นตายรักตอนที่ตายแต่ถ้ามีอุเบกขามันก็จะไม่เสี่ยง เรื่องอะไรไปเสี่ยงถ้าเกิดมันไม่เป็นตอนที่ตายแล้วจะทำอย่างไรสู้อย่าไปเสี่ยงดีกว่าถ้ามีอุเบกขาก็ไม่เดือดร้อนอยู่โดยไม่มีอะไรได้ใจที่มีอุเบกขานี้เป็นใจที่อิ่มเป็นใจที่มีความสุขในตัวมันเหมือนคนที่กินข้าวอิ่มแล้วจะมีขนมมารออจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ ถ้ารู้ว่าขนมนี่กินแล้วท้องเสียก็ไม่กินดีกว่าแต่คนที่ยังไม่กินข้าวอิ่มมีขนมมาล่อนี่จะท้องเสียไม่เสียก็ขอกินก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์กันทีหลังเดี๋ยวรู้กันทีหลังว่ามันจะเสียไม่เสียแต่ตอนนี้อย่างน้อยเวลากินแล้วมันทำให้อิ่มมันทำให้สุขดีกว่าหิวดีกว่าทุก็กะไรต้องกินของที่ไม่รู้ว่า จะสุขหรือจะทุกข์ต่อไปนี่ก็เหมือนกันใจของพวกเรายังไม่มีความอิ่มในตัวเหมือนคนหิวข้าวพอหิวข้าวมีใครเอาข้าวมาให้เรากินนี่เราจะไม่ลังเลสงสัยว่าให้กินก็ไปแล้วท้องเสียหรือเปล่าเขาใส่ยาบูรเขาใส่ยาอะไรเข้าไปในข้าวมาหลอกให้เรากินหรือเปล่าเราจะไม่ไม่คิดไม่สงสัย เห็นแล้วน้ำลายไหลยอยากจะกินอย่างเดียวเพราะมันหิวมันทุกข์แต่พอกินเข้าไปแล้วถึงมาเสียใจภพลหลังโอ้กูถูกหลอกอีกแล้วเอาเอายาเอายาสอดเข้าไปในอาหารกินแล้วทำให้ท้องเสียเวลาหิ ว, วมันไม่มีทางเลือกอะไรก็ต้องคว้าไว้ก่อนเชื่อไหมเวลาคนจะจมน้ำตายเนี่ย เวลามีศพรอยอยู่ยังขอดกอดศพเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะพึ่งมันก็คว้าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดจะเป็นซากศพก็ไม่กลัวแล้วนะกลัวความตายมากกว่ากลัวซากศพนะอันนี้ก็เหมือนกันใจที่ได้ใจที่ยังไม่อิ่มไม่พอนี้พอ มีอะไรใกล้มือคว้าได้ก็คว้าทันทีมีความสุขชนิดไหนถึงแม้จะเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวก็เอาซะก่อนเอาฝนมาแล้ววันนี้ตอนนี้จังมาแล้วเนี่ยแลวจะนั่งลองสู้กับฝนสักพักก็ได้เสียงดูยอมเปรียบอตอนนี้เป็นโอกาสดี ให้พวกเรามานั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขากันจะได้รู้ว่าเราจะสู้กับความอยากได้หรือไม่วิธีนั่งสมาธินง่ายนั่งเฉยเฉยไม่ต้องแปลงไม่ต้องเครียดคิดว่าเรากำลังนั่งดูหนังใจเรานี้เป็นเหมือนจอหนังนั่งดูลมหรือนั่งดูพุทโธไปอย่านั่งเฉยเฉย เดี๋ยวเฉยๆแล้วใจจะคิดใจจะปรุงแต่งแล้วอาจจะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมานั่งเลยต้องมีคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโธก็ได้หรือจะรวมกันก็ได้พุทธเข้าโธออกหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทอย่างใดอย่างหนึ่ง นั่งไปอยากคิดอะไรแล้วจะมีความสุขจะมีความอิ่มใจมีความสบายใจถึงแม้ฝนฟ้าจะตกเสียงจะดังก็ไม่เป็นปัญหาอะไรตอนนี้ขอสงบขอเวลาสงบจนกว่าฝนจะหยุดแล้วค่อยว่ากันใหม่ต่อไปนี้จะให้พร ยะถาโมหะวะหะปุราภะริเรินติสากหลังเอวามีวะอิโตทิน an ังเมตานังอุปการปฏิยิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจขุ มณีจติราสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาตตภวะตวันตราวยสุขีทิพายุโกภวาธิวะทานสีลิสะนิจังวุทา ปัจจัยโนจตารโอธัมมวัานติอายุวโนสุขังภาลังตอนนี้ฝนหยุดพอดีค่ะงเฟซุสามร้อดคน ดูคู้ย่ิบห้าคนเรดิโอหกคนรับฟังบนเขาสามสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยก็หร้อยห้าสิบเก้าคนค่ะโอเคธรรมดาช่วงนี้จะเป็นช่วงถามคำถามแต่เวลามันใกล้จะหมดแล้วก็เลยคิดว่าขอผัดไปวันพนระุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ให้ญาติโยมจะได้เดินทางกลับบ้านกัน ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ปฏิบัติในวันนี้ไปพินิจพิจารณาเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ